พุทธนักรมเอกมูลที่สิบห้ามูลสุดท้ายเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้ฟังทั้งหลายวันนี้ก็มาถึงบทเรียนพระประถมสมโพธิกถาในปริเฉตที่ยี่สิบแปด ว่าด้วยมาลพันทะปริวัติการเมื่อพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายได้ประดิษฐานไว้ในประเทศต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับนั้นท่านพระมหากสปะเิละเจ้าได้พิจารณาเห็นว่าอันตรายแห่งพระบรมสารีริกธาตุนี้จะพึงมีขึ้นในภายหน้า ดังนั้นก็จึงได้เข้าไปยังพระรา ช, ชวังแห่งกรุงราชครได้เข้าไปถวายพระพรต่อพระเจ้าอาชาติศัตรูว่าพระมหาบอพิษควรจะพึงกระทาซึ่งทาตุนิทานก็คือการฝังพระบรมสารีริกธาตุไว้ในพื้นภูมิภาคที่จะอาจจึงจะพ้นอันตรายทั้งปวงได้ พระบรมกษัตริย์ก็จึงได้จึงได้รับคํำภาษาทุแล้วก็จึงได้สัตว่าการแห่งธาตุนิทานคือการที่จะฝังพระบรมสาลีลิกิาธินั้นเป็นภาระของโยมแต่ว่าพระบรมสาลีลิกิตาธิที่เหลื อ, อนอกจากที่ฝังไว้ที่กรุงราชะคลึกนั้นจะนํามาได้อย่างไรท่านพระมหากัะสปะเทระก็จึงได้ถวาย พระพรานว่าดูก่อนมหาบาพิษอันวิกิที่จะนำมาซึ่งบรมสารีริกธาตุทั้งหลายที่สถิตอยู่ในที่อื่นๆนั้นไม่ได้เป็นภาระของมหาบาพิษแต่นั่นเป็นพนักงานของอาตมาเองอาตมาจะนำมาจะเป็นผู้นำมาเองพระเจ้าชัยตรูจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าก็จงนำมาแล้วข้า อ, อโยมนั้นก็จะกระทําการ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นให้สําเร็จพระมหาเถระนั้นก็จึงได้นํามาซึ่งพระบรมธาตุทั้งหลายทั้งหกถึงด้วยการขบพระนครด้วยฤทธิ์เว้นแต่ว่าอ่าเว้นแต่ว่าขัตติยะตระกูลทั้งหลายนั้นจะกล่าวโต้อตอบประการใดก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งปวงนั้นไปสู่กลลรุงราชคลึ้ แต่มีเว้นอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นเองคือในพระนครรามคามซึ่งเป็นพวกเรากษัตริย์พักระนเดียวเท่านั้นซึ่งพระมหาพระผู้เป็นเจ้าเถระนั้นได้พิจารณาเห็นไปว่าในภายในในภายหน้านั้นพญานาคราชจะนำเอาพระอธิฉาิแห่งเมืองรามคามนี้ไปประดิษฐานไว้ในหน้ากรพิภพ เพราะฉะนั้นอันตรายก็จึงจะไม่มีในอนาคตการอย่างแน่นอนส่วนพระบรมส า, ารีริกธาตุที่นาคพิภพนำไปนั้นต่อไปในภายเบื้องหน้าก็จะไปสถิตอยู่ที่ลังกาทวีปบรรจุไว้ในพระมหาเจดีย์ที่มหาวิหารดังนั้นพร ะ, ะมหากส ป, ปะเทระก็จึงไม่ได้นำเอามา พระมหาเถระนั้นก็ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งเจ็ดส่วนไปตั้งไว้ไปประดิษฐานคือฝังไว้ในทิศอากกตคเนแห่งกรุงะะราชคลึแล้วกะทำอธิษฐานว่าในสถานที่นี้มีศิลาอยู่และศีลานั้นก็จึงจงอันตรธานหายไปสมเด็จพระบรม อพระบรมนาลาที่บดีคือพระเจ้าชัตสตรูนั้นก็จึงให้พวกพนักงานนั้นได้ลงมือขุดลงในสถานที่นั้นและก็มูลดินกระทําอิดก่อพระเจดีย์ถวายอสีติมหาถาวร ก, กุ้งปวงแม้จะมีผู้ใดมาถามพระบรมสัตว์ว่าพระบรมกษัตริย์ประทับสิ่งใดก็ให้บอกว่ากระทาพระเจดีย์ถวายมหาสาวก ให้ใ ห, ให้ให้กล่าวเช่นนั้นเมื่อขุดที่ที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเรียบร้อยแล้วก็จึงได้นำพระบรมสารีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนั้นใส่ลงในกล่องชั้นเหลืองซึ่งกล่องชั้นเหลืองนี้ก็ทำเป็นชั้นๆด้วยกันถึงแปดชั้น แล้วก็เอาสถูบจันเหลืองซึ่งซ้งซอนสวมกันทั้งแปดชั้นนี่แหละใส่ลงไปในกล่องจันแดงที่ซ้อนกันอีกแปดชั้นอ uh, แล้วก็นํากล่องจันแดงที่ซ้อนกันแปดชั้นนี้ใส่ไปในสถูทูบใส่ไปในเสถูบของจันแดงอันสวมกันซ้อนอีกแปดชั้นคือแต่ละอ่าแต่ละแต่ละชัแต่ละคชั้นแต่ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละ ช, ลชั้นนั้นแปดชั้นทั้งนั้น แล้วก็นําสถูกจันแดงที่ซ้อนกันแปดชั้นนี้ใส่ลงไปในกล่องนาอีกแปดชั้นแล้วก็นากล่องนาแปดชั้นนี้ใส่เข้าไปในพระสถูกนาอีกแปดชั้นแล้วจึงนําสถูกนาแปดชั้นนี้ใส่ลงไปในสถูกแก้วต่างๆอีกแปดชั้น แล้วเอากล่องแก้วแ8ชั้นนี้ใส่ลงในสถูแก้วต่างๆอีก8ชั้นและเอาสถูแก้วต่างๆ8ชั้นนี้ใส่ลงในกล่องในกล่องทองอีก8ชั้นแล้วก็นํากล่องทอง8ชั้นนี้สวมเข้าใส่เข้าไว้ในสถูทองอีก8ชั้นแล้วก็นําสถูทองทั้ง8ชั้นนั้นใส่ลงในกล่องเงิน8ชั้น แล้วก็นํากล่องเงินแปชั้นนั้นใส่ในสถูปเงินอีกแปดชั้นพระสถูปเงินที่ใส่ในอ่าแปดชั้นนั้นก็เอาพระสถูปเงินใส่ลงในกล่องมณีแก้วมณีและเอากล่องแก้วมณีนั้นใส่ในพระสถูปแก้วมณีนําสถูปแก้วมณีนั้นใส่ลงในกล่องแดงในกล่องแก้วแดงนั่นนากล่องแก้วแดงนั้นใส่ลงในสถูปแก้วแดง แล้วก็ได้นำสถูกแก้วแดงนั้นบรรจุลงในแก้วในกล่องแก้วลายแล้วก็นำแก้วลายนั้นกล่องแก้วลายนั้นบรรจุลงในสถูกแก้วลายแล้วจึงนำเข้าไปบรรจุในกล่องแก้วผลึกแล้วก็นำกล่องแก้วผลึกนั้นบรรจุไว้ในกระสุนสถูกแก้วผลึกแปดชั้นอีกเหมือนกันทั้งหมดนี้ พระสถูปแก้วผลึกนั้นก็จึงเป็นชั้นนอกที่สุดซึ่งทั้งกล่าวไว้ว่าใหญ่ประมาณเท่าเจดีย์ในถูปปาตามแล้วก็จึงทําเป็นเครือข่าล้วนไปด้วยแก้วเจ็ดประการสวมลงเบื้องบนพระสถูปแก้วผลึกนี้ชั้นอชั้นนอกนั้นแล้วก็ทําเป็นเรือนแล้วก็ประดับไปด้วยทองสวมแก้วเรือนแก้วเจ็ดประการอีกก็ทําอยู่เช่นนี้ และนอกจากนั้นแล้วก็จึงได้ให้สร้างกระทามรูปพระโพธิสัตว์ทั้ง450พระชาติและรูปพระอสีติมหาสาวกรวมทั้งรูปของผู้ที่เป็นสหาชาติด้วยเมื่อกระทามได้บรรจุเสร็จเรียบร้อยอแล้วท่านพระมหากษัะ ก็จึงให้จาึกอักษรลงที่แผ่นสุวรรณบัตรก็คือแผ่นทองคำประดิษฐานไว้ในที่นั้นเป็นคำพยากรณ์ว่าซื้อไปในอนาคตแต่การภายภาคหน้าเมื่อพระอโศกราชกุมารในผานพิภพมหยสวรรยกขึ้นซึ่งสเสวะราชาสัตว์และราชาฉัตร ทรงพรนามว่าพระเจ้าทรมาโศกราชในการใดและกษัตริย์พระองค์นั้นก็จะได้แจกพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเหล่านี้ไปทั่วสกลปฐพีพื้นแผ่นชมภูทวีตในการนั้นส่วนพระเจ้าชาติศัตรูพระบรมกษัตริย์นั้นก็กระทำสการะบูชาด้วยเครื่องราชสาธนาอรังการ แล้วจึงเสด็จออกมาภายนอกให้ปิดเสียซึ่งทวารแห่งเรือนพระบรมธาตุติดห่วงและสายอยู่กุญแจผนึกตรีตาไว้ทุกชั้นทุกชั้นแล้วก็จึงให้จารึกอักษรไว้บนบานทวารว่าซื้อไปในอนาคตการเวืองนาจะมีพญาเข็นใจองค์หนึ่งจะมาเรื่อหอพระบรมสารีริกธาตุนี้ ขอจงเอาท่อนแก้วมณีนี้ก็ทำสการะบูชาพระบรมธาตุเถิดเมื่อการแห่งการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วฝ่ายท่านพระมหากษัะเถระก็ดำรงพระชนม า, นมาอา ย, อยุตราบเท่าจนกระทั่งหมดอายุก็จึงดับขันธ เข้าสู่พระปรินิพพานส่วนสมเด็จอาชาติอพระเจ้าอาชาติศัตรูดำรงพระชนชีพอยู่ก็ที่วงคตไปตามยถากรรมจังเนียนแต่การนั้นผ่านมาจนกระทั่งลุล่วง พ, พุทธศักราชล่วงไปแล้วได้สองร้อยสิบแปดพรรษา คือหลังจากองค์สมเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นปรินิพานนะปรินิพานไปได้สองร้อยสิบแปดพรรษาการเมื่อพระเจ้าอสศกราชกุมารได้ผ่านพิภพมหายสวรรค์สมบัติยกขึ้นซึ่งสเวสวะเวตราชาชัดณกรุงปาตาลีบุตรมหานคร สมเด็จพระบรมกษัตริย์นั้นก็อาศัยซึ่งมีโคดทสมณนจึงได้มีพระทัยเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วพระองค์ก็ได้ทรงสถาปนาคือการสร้างพระวิหารและพระสถุกถึง 84,000 ถึ ง, ง, ง, ง, ง, ง 84,000 แห่งทุกทพระนครในชงพูทวีตแล้วก็จึงได้ตรัสถาม พระภิกษุสงทั้งปวงว่าโยนนั้นจะได้พระบรมสารีริกธาตุแต่ที่ใดที่จะได้บรรจุไว้ในพระสถูปให้ทั่วท่วนถึงแปดหมื่นสี่พันพระองค์พระสงฆ์ทั้งหลายก็จึงได้ถวายพระพรว่าอาตมาภาพได้สะดับสืบกันมาว่าที่ธาตที่ท า, ทท า, ททาตุมนิทานนั้น มีอยู่แต่ไม่รู้ว่ามีอยู่ในที่ใดก็คือว่าการบัญการที่ได้นําเอาพระ บ, บรมสารีริกธาตุบรรจุไว้นั้นมีอยู่มีบุคคลได้กระทําอยู่แต่ไม่ทราบว่าจะมีอยู่ในที่ใดดังนั้นพระเจ้าอาโศรกมหาราชนั้นก็จึงได้ทวงลายพระสถูกณเมืองราชคลึแล้วก็เด็กค้นหาได้แล้วก็ให้ค้นพบให้ค้นหาพระ บ, บรมสารีริกธาตุก็ไงผ่านพบ ก็จึงได้กระทาพระเจดีนั้นสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นปกติดังเก่าแล้วพระองค์ก็พาบริษัททั้งสี่กับทั้งเจตรรงคพันโยธาหารคือเสนาพวกกองทัพทั้งหลายพวกทหารทั้งหลายนั้นสเสด็จไปสู่เมืองเวสาลีก็ให้รู้พระเจดีนัพระมหาที่นั้นที่มีอยู่ในพระนครเวสาลีนั้นค้นหา ก็ไม่ได้พบพระบรมสารีลิกธาต์พระองค์ก็ให้ก่อเสียให้เป็นปกติดังเกา่าแล้วก็เสด็จไปสู่รามคามให้พวกทหารทั้งหลายรูอพระเจดีที่เมือง น, นั้นแต่ก็มีสามารถที่จะอาจทำลายได้ก็เพราะเหตุที่ว่าหมู่นาทั้งหลายนั้นป้องกันรักษาไว้มิให้ พ, พินธนาการคือแตกทำลายจนกระทั่งเนี่ย พุ ท, ที่จะหาพระบรมสารีริกธาตนะุจนจบในเฮี้ยนและขวานก็เป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ไปหมดหักสะ บ, บัน้นในสมดังพระทัยปรารถนาดังนั้นพระเจ้าโศกมหาราชก็จึงได้ยาตราทับในะยาตราพวกพลทหารนั้นไปสู่เมืองอลกัาพนครไปเมืองเวททธธีปการณ์นครและก็เมืองปาลอามปาวาเมืองกุสิณาราก็ให้ลือพระเจดีย์ทั้งสี่พระนครนั่นที่มีอยู่ในพระนครเหล่านั้น ค้นหาพระบรมสารีริกธาตุก็ไม่ผ่านพบอีกพระองค์ก็จึงให้สถาปนาพระบรมสารีอ่าพระเจดีย์เหล่านั้นใช่ไหมแล้วก็ได้เสด็จกลับมาอย่างกรุงราชค์ยึดจึงให้ไปชุมบริษัททั้งสี่ขึ้นแล้วก็ไายถามว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งได้สดับมาตั้งแต่การก่อนไหมว่ามีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุอยู่ในสถานที่ใด ในขณะนั้นเองก็มีพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งเป็นพระเถระผู้เท่ามีพรรษาได้ถึงร้อยยี่สิบนะมีอายุได้ถึงร้อยี่สิพันศาก็จึงได้บอกว่าได้แได้ถวายพรว่าสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นจะประดิษฐานอยู่ในที่ใดนั้นอาตมามิได้รู้แต่เทว่าพระมหาเถระผู้เป็นบิ ด, ดา ของอาตมาภาพนี้ได้ถือเอาซึ่งพระอบดอกไม้พาอาตมาไปตั้งแต่เมื่ออาตมาอายุได้เจ็กขวบบวชเป็นสมมาเนมไปสู่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็กล่าวแก่อาตมาว่านี่แน่สมมาเนมจงมาที่นี่แล้วก็ชี้ไปว่าในระหว่างแห่งกองไม้ชัดนดุมีสถกศิลาอยู่องค์หนึ่งเราจะพากันไปนมัสการ ขั้นไปถึงที่นั้นแล้วก็กทำการอภิวรต น, นาการบูชาแล้วก็จึงบอกว่าดูก่อนสมณเณรควรจะพิจารณาดูที่นี้ให้เป็นที่สำคัญอยู่อาตมาก็ได้รู้เหตุแต่เท่านี้นั้นเท่านั้นเองพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็จึงดําริว่าก็จึงได้ดํารัดออกมาว่าชลลอยสถานที่นั้นจะเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุอย่างแน่นอนก็จริงได้ให้พระมหาเถระนั้นนำเสด็จไปสู่ที่ตำบลแห่งนะั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็สั่งให้บรรดาทหารทั้งหลายได้ถางนะซึ่งกอไม้อันรกชัดเหล่านั้นก็ได้ประสบพบเห็นพระสถูกศิลาองค์หนึ่งตามที่พระมหาเถระได้กล่าวไว้ พระเจ้าอาโศกมหาราชก็จึงให้ชักชล อ, อพระสถูศิลาย อ, องค์นั้นไปในสถานที่อื่นเสียแล้วพระองค์ก็จึงได้ให้พระองค์ก็จึงได้ให้ใหแม่มดทั้งหลายเชิญเทพ ย, ยดาให้แต่งเครื่องพรีกรรมบวงสรวงสงวยต่างๆแล้วก็ให้ประโคมดนตรีดูดิยาง ให้ประคมดนตรีจุิยางแล้วพระองค์นั้นก็ทรงประนมหัดถถวายอัญชลีแก่เทพ ย, ยดาออกพระดำรัสประกาศว่าข้าแต่ทเทวราชทั้งหลายผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ข้าพเจ้านั้นมีจิตปรารถนาจะถือเอาพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเหล่านี้จะอัญเชิญไปบรรจุ ในพระเจดีย์ในพระสถูปเจดีย์ทั่ววิอาทั้งวิหารอในพระสถูปเจดีย์ทั่ววิหารทั้งแปดหมื่สี่พันแห่งควรที่จะได้เป็นสการะบูชาแก่เทวดาและมนุษย์ทั่วประเทศพระพุทธศาสนา ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้แผ่ภัยสารวัฒนาไปทั่วขอบเขตขันธสีมาขอเทพเจ้าเหล่าเทพ ย, ายดาทั้งหลายจงช่วยป้องกันอันตรายให้ให้พิรลาชบำบัดไปอยาได้ให้ได้พระบรมสารีริกธาตุสมความปรารถนาในครั้งนี้เถอะเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราช พระองค์ได้ทรงบวงสวงประกาศความประสงค์พระประสงค์แก่พวกเทพพ ย, ยดาทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็จึงได้ให้เปิดซึ่งพระสถูปเจดียเหล่านั้นแล้วก็กล่องทั้งหลายที่สวมใส่พระบรมสารีริกธาขึ้นทุกชั้นทุกชั้นแล้วก็จึงได้ไว้พระบรมธาตุที่บรรจุโด น, นันไว้หน่อยหนึ่ง แล้วก็จิงได้สวมซ้อนซึ่งกองและพระสถุกทั้งหลายไว้ตามลำดับดังกล่าวจิงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งหลายเหล่านั้นใส่ลงในพระสุพรรณาพาชนะนำออกมาในภายนอกและพระองค์ก็ทรงให้หับพระทวารเรือนแก้วถึงเจ็ดประการและก็เรือนทองเรือนเงินทองแดงมาทุกชั้นทุกชั้น ให้เอาซ้ายแก้วนั้นมาถมลงไว้ให้เต็มที่แล้วก็นำเอาแท่งศิลาที่ทับไวบ่วงบนแล้วก็ให้ขนมมูดินมาถมจนมิดปิดช่องให้เสมอพื้นปตัตภีเหมือนดำเดือดแล้วก็ชะลอพระสถูกศิลาที่ได้ชะลอออกไปนั้นให้กลับมาประดิษฐานณที่เก่าแล้วก็เสด็จยก พร้อมด้วยทหารทั้งหลายแห่แหนพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญสู่เมืองปาติบุตรราชธานีแล้วพระองค์ก็ทําสการะสัมมาณวิธีโดยอนเนกกระปาการแล้วก็ได้ทรงแจกพระบรมสารีริกธาตุนั้นไปบรรจุไปประดิษฐานบรรจุไว้ในพระเจดีย์อันมีณวิหารทั่วทุกทุกพระนคร รวมด้วยกันแปดหมื่นสี่พันเมืองในแผ่นดินแห่งสกลชมพูทวีทั้งสิน้นซึ่งสา ม, มารถสำเร็จได้ด้วยราชานุภาพพร้อมกับด้วยอรหันตลิตศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองประการภายหลังก็พระองค์นั้นก็จึงให้สร้างพระมหาสถูปใหญ่ขึ้นใหม่องคหนึ่งสูงประมาณในกึง่งโยน์ ที่ลิ้มสั่งแม่น้ํำคงคามหานาทีใกล้มงปาตาลีบุบนั้นเสร็จแล้วก็หอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งคือเหลือจากที่พระองค์นั้นได้ส่งไปบรรจุในส่งไปบรรจุตามพระสุทโต่างๆทั้งแปดหมือนสี่พันนั้นพระองค์ก็ได้เหลือไว้ไว้ส่วนหนึหน่งแล้วก็จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่เหลือส่วนนั้นแหละ บรรจุไว้ในพระสถูปเจดียด์องนั้นในลาดับนั้นเองพระเจ้าธรรมมาศกรามีพระไทยปราถนาจะทำการฉลองพระสถูปทั้งแปดมื่นสี่พันองนั้นทุกทุกปณิครในชุมพูทวีปนั้นพร้อมพร้อมกันหมดและพร้อมทั้งที่จะฉลองพระมหาสถูปองค์ใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ําคงคาที่มุงปาตาลีบ ด, ด้วย เมื่อทรงพระดำริเช่นนี้แล้วก็คิดว่าอาตมานั้นก็ ค, ควรจะทาการฉลองพระสถุกทั้งหลายนี้จะกระทาเรียกว่าให้เป็นการบูชาอย่างยิ่งใหญ่เชียวจะกระทําให้นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนกลเจ็ดวันจึงจะสมแก่ศรัทธาของของตัวเองของตนของอาตมาเองแต่พระองค์ดำดําริอยู่ว่าทําช่นไรหนอ จะไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นในการทํากุศลครั้งนี้ดังนั้นพระองค์ก็จึงได้เข้าไปอจึงได้เข้าไปยังไปหาพระพิสุสง์ได้ไปกราบนมัสการว่าขอให้พระพิสุสง์นั้นจัดหาพิสุที่มีอิทธิฤทธิสักองค์หนึ่งให้ช่วยป้องกันอันตรายที่จะไม่ให้สามารถมาทําอันตรายได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะหาภิกษุรูปใดไ ด, ได้ถามภิกษทุทุกพระองค์อทุกๆองค์นั้นก็ไม่มีภิกษุใดที่จะรับดังนั้นพระเถระอแห่งภิกษุทั้งหลายก็จึงได้ขอลองสมณเณรรูปหนึ่งอายุเจ็ขวบเท่านั้น <c oughs> ซึ่งที่ได้ขอลอนั้นก็เห็นฤทธิ์ว่าสมณเณรอง์นี้แม้แต่อายุหกขวบนั้นก็สามารถที่จะป้องกันมิให้ครุฑนั่นจับหน้ า, า, ก, นา ก, กินได้ แต่สมณเณร น, นั้นก็ตอบว่าสมณเณร น, นั้นก็คิดว่าตนเองนั้นเป็นแต่เพียงสมณเณรในน้อยอายุเจ็ขวบแลวก็ยังเป็นปุถุชนอยู่แล้วคิดว่าตนเองเป็นสมณเณรในน้อยไม่ไม่ควรที่จะกระทำงานอันใหญ่เช่นนี้ก็จึงได้กล่าวว่าตนเองนั้นจึงได้กล่าบเรียนพระเถราว่าตนเองนั้นมีอนุภาพน้อยและอายุยังน้อยไม่สามารถที่จะป้องกันอันตรายนี้ได้ ก็จึงได้แนะนําพระเถระว่าให้ไปนิมนต์ท่านพระอุบคุถเถระซึ่งขณะนี้ยังจำพรรษาอยู่ที่ท้อมหาสนุกพระเถระนั้นก็จึงได้สั่งให้ภิกษุสองรูปซึ่งได้อภิญญาสมาบัตไปนิมนต์พระอุปคุถเถระมาเมื่อพระผู้เป็นเจ้านั้นมาแล้วด้วยความเคารพในสงฆ์พระสงฆ์ทั้งปวงก็จึงได้แจ้งให้ทราบว่าบัตหนี้ พระเจ้าธรรมมาโกราชหรือพระเจ้าโศกมหาราชต้องการจะบำเพ็ญกรองการกุศลฉลองพระสถูปทั่วทั้งส ก, กลชนภูทวีเป็นเวลาถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันขอมอบให้ท่านนั้นให้พระเถระนั้นมีหน้าที่ในการป้องกันพยามารเพื่อไม่ให้มาทําอันตรายในการบำเพ็ญกุศลของพระธรรมราชานี้ทั้นในเวลาลุ่งเชา้าพระเจ้าอโศก กมหาราชเสด็จไปยังวิหารถวายน้ำมาสการแล้วก็จึงได้ถามถึงพระสงฆ์เกี่ยวกับเรื่องที่จะหาภิกษุรูปหนึ่งมาเป็นผู้ป้องกันอันตรายพระสงฆ์ก็จึงได้แนะนําพระอุปคุตเถระผู้ซึ่งที่จะรับหน้าที่ป้องกันพญามารพระเจ้าโศกมหาราชเสด็จทอดพระเนตรเห็นแล้วเห็นว่าพระคุณมเจ้านี้ก็เรียกว่ายังไม่ค่อยเชื่อมัน เพราะเห็นท่านพระอุบคุถเเรนั้นมีร่างกายผอมซึ่งบางครั้งเขาเรียกบางครั้งก็มีคำเรียกท่านว่ากีสนากีสนาคือพระเถระผู้ผอมนั่นเองก็จึงดมิตในใจว่าพระผู้เป็นเจ้านี้จะมีอนุภาพตัวพู้ผอมเล็กๆขนาดนี้จะมีอนุภาพสามารถหรือมีสามารถเนาะงอพระองค์ดมฤตชนีแล้วก็สเสด็จกลับพระราชนีเว รุ่ขึ้นในตอนเช้าพระมหาเถระพระอุบคุถเถระนี้ก็ได้เข้าไปมิถบาทในราชสกุลพระเจ้าอโศโกมหาราชทอดพระเนตรเห็นก็จึงสั่งให้ปล่อยช้างที่ซับมันคือที่ตกมันนั้นเพื่อที่จะทดลองอนุภาพของพระมหาเถระพระมหาเถระหันไปพบเขาก็จึงได้ทราบทันทีว่าพระราชาต้องการจะทดลองเราก็จึงในอธิษฐานว่า ขอให้ขชาทานจงปรากฏบุดลูกช้างศิลาหยุดอยู่ในที่นี้เถิดพอสิ่งคำปฏิทฐานนั้นปรากฏว่าช้างนั้นก็หยุดยืนอยู่เหมือนกับช้างหินคือช้างศิลา น, นเองไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ด้วยอนุภาพของพระมหาเถระพระราชาได้ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้รีบเสด็จไปขอเขา้ามาโทษพระมหาเถระก็ถวายพระพรว่า ขอพระบรมบอพิษจงเป็นสุขเถิดและก็ขอพญาช้างกุณชอนนั้นจงกลับที่อยู่ของตนเถิดพอท่านพระมหาเถระได้กล่าวจบทีน่นี้แล้วปรากฏว่าช้างนั้นก็เดินเดินกลับไปที่อยู่ของตนตามปกตินี่แหละอนุภาพของพระหันเถระเจ้าผู้มีร่างกายที่ผอมแต่สามารถสะ ก, กดให้พญาช้างนั้น หยุดนิ่งกับที่เหมือนกับช้างหินได้อาระท่านส า, สาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพรเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้ ง, นนล ง, งหลายวันนี้ ก็มาว่าบทเรียนในประสมมาในปฐมสมโพธิกถาต่อในครั้งที่แล้วนั้นได้กล่าวมาในปริเชศที่ยีเก้านั้นยังไม่จบในปริเชตที่ยีแปดนั้นยังไม่จบได้กล่าวมาถึงตอนที่พระเจ้าอาโศกมหาราชนั้นได้ทดลองฤทธิ์ของท่านพระอุบคุเถละท่านพระอุบาคุเทละก็จึงได้ อธิษฐานให้ช้างนั้นยุดอยูย่กับที่เหมือนกับช้างหินและเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ตรงไปขอเข้ามาแล้วพระมหาเถระนั้นก็จึงได้ถวายพรว่าขอให้พระมหาวพิตรจงเป็นสุขเถิดและขอให้พญาช้างกุญชรนั้นจงกลับที่อยู่ของต้นพอพระมหาเถระกล่าวจบชนีแล้วช้างก็ได้เดินไปอย่างที่อยู่ของตนตามปกติพระเจ้าอาโศกมหาราชนั้น ได้ตรัสให้ทาบริเวณลอบพระมหาสถุคเจดีให้ลุ่งโลดไปด้วยประทีปประมาณึ่งโยอดหรือครึ่งยอดตามริมฝั่งแม่น้ำคงคาคือตามตลอดริมฝั่งแม่น้ำคงคาไปพระพิสุส่งทั้งหลายก็มาไปชุมกันเพื่อนมรส ก, การพระมหาเจดีในขณะนั้นเองพญามานก็จึงได้ลงมาจากชั้นปรนิ ม, มิตวสวดีเทวโลกนั้น คือพยาวสวดีมารมาเพื่อจะทำลายการกระทําสการบูชาของพระเจาะา้าอโศกมหาราชและของบรรดาพุทธบริษัททั้งสีด้วยอิทิลิตนาน า, น, า น, านานาประการดังนั้นจึงได้แสดงอิทิลิตต่างๆเช่นมีการให้ฝนฝนเพลิงตกมาบ้างฝนลูกเห็ด บังและก็ฝนที่เป็นกรดบังซึ่งพระอุปคุเทระมหาเทระนี้ก็จึงได้ดสามารถกำจัดลิธ ต, ต่างๆของพยามานั้นจนกระทั่งที่ว่าแพ้ไพ่ไปเสร็จแล้วท่านพระมหาอุบกคุเทระนั้นก็จึงได้นำมิตรลูกของหมาเน่าตนหนึ่งที่เต็มไปด้วยหนูนอน แล้วก็จับเอาแขวนคอพญาวัสุวัดีมานั้นแล้วก็ได้ประกาศว่าบุคคลใดก็ตามถึงมาดแม้นว่าจะเป็นเทพพ ย, ยดาหรือมหาพรามใดก็ดีขอจงอย่าได้แก้หมาเน่าจากคอของพญามา น, นี้ออกได้แล้วก็จึงได้ขับพญามานวันนี่แน่มานเจ้าจงไปจากที่นี้ พยาวสวดีมานั้นมีซาสุนักเน่าผูกคอตนเองไปด้วยแกเทลายก็ไม่ออกจึงได้ไปให้พวกเทพยดาทั้งหลายในชั้นในชั้นกว้านนลให้ช่วยแก้ก็แก้ไม่ออกจึงขึ้นไปหาท้าวมหาพรหมก็แก้ไม่ออกพระท้าวมหาพรหมก็จึงได้แนะนำว่าให้กลับมาให้พระมหาเถระแก่ พยามานีมีจิตอพยศเป็นที่สุดเมื่อสิ้นคิดที่จะแก้ใดแล้วก็จึงได้กลับมาพร ะ, ะมาหาพระมหาเถระกล่าววิงวอนด้วยคำไพเราะอ่อนหวา น, นต่างๆขอให้ช่วยแก้ให้แล้วก็ประกาศว่าจะไม่ขอสู้รบกับพระมหาเถระต่อไปคือยอมแพ้พระมหาเถระจึงกล่าวว่าท่านจงไปยืนยังภูเขาลูกโน้น เมื่อพญามานได้ไปยืนข้างภูเขาลูกนนแล้วพระมหาเทละก็จึงได้แก้สุนักเนา่านั้นออกแล้วกอดีฐานประคดเอวพันคอพญามานนั้นติดไว้อย่างมั่นคงกับภูเขาลูกนั้นโดยกล่าวว่าเจ้าจงยืนอยู่ณพื้นที่นี้จนกว่าพระมห า, าทรมาสกราชจะกระทำการบูชาสการะทำการฉลองพระเจดี อ่าเสร็จท้วนถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเมื่อการสการะบูชาพระมหาอ่ามหาเจดีครบกำหนดแล้วพระมหาเถระก็จึงได้เข้าไปใกล้ๆพญามานั้นแต่ว่ากำบังกายเสียมิให้ยพญามานเห็นส่วนพญามาราธิราชนั้นสิ้นพยศลายแล้วละเลึกถึงพระพุทธคุณ พระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณแล้วก็ดึงได้กล่าวว่าสมเด็จพระชินสีพระองค์ใดทรงมีพระมหากรุณาบำเพ็ญสิ่งอันเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งทานักแก่เหล่าสัตว์ทั้งหลายในการทุกเมื่อเมื่อพระองค์นั้นเป็นผู้ประเสริฐหาผู้เสมอเหมือนมิได้ อันหนึ่งในการก่อนเข้าพเจ้านั้นได้กระทำร้ายพระองค์มีประการต่างๆแต่ว่าพระองค์นั้นก็มิได้ทำโทษหรือว่าได้ถือโทษโกรธตอบเข้าพเจ้าเลยบัดนี้ภาษาวกของพระองค์นั้นช่างกะไรเลยช่างไม่มีความกรุณากระทำโทษข้าไเจ้าให้เสเวยทุกเวทนาแสนสาหัสผิดเข้าพเจ้ามีกุศลลสมพานที่ได้สะสมไว้แล้ว ขอจงได้เป็นพระสัพพัน์อยู่ในอนาคตการโน้นเถิดเมื่อพญามานออกวาจาปรารถนาพุทธภูมิด้วยประการชนนี้แล้วพระมหาเถระก็ได้สาแดงกายให้ปรากฏเข้าไปแก้มัดพญามานโดยฉับพลันแล้วก็ได้กล่าวขอให้พญามารนั้นยกโทษให้พญามานก็ได้ยกโทษให้แล้วก็จิงได้ขอร้องให้พญาวสุดีมานั้นว่า ท่านนั้นเกิดทันองค์ทุมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้ท่านนั้นจงในละมิตรูปของพระสัพพัญยูและเหล่าพระมหาสาวกให้ดูหน่อยพญามารก็บอกว่าข้าพเจ้านั้นเกิดทันและข้าพเจ้าก็สามารถที่จะแปลงรูปให้เหมือนได้แต่ต้องขอสัญญากันก่อนว่าเมื่อข้าพเจ้าแปลงรูปให้ดูแลน่ะขอท่านทั้งหลายนี่อย่าได้ยกมือขึ้นนส ก, การหรือกราบไหว พระอุปาคุถเลรก็จึงได้ตอบตกลงแต่ม่อพยามารมาลาธิราช น, นั้นก็จึงได้เข้าไปในลาวป่าได้แปลงเพศออกมาเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพิสุสงเดินออกมาจากป่าในลมิตธให้ดูพระอุปคุถเทระพร้อมด้วยประชาชนเท่นนั้นทั้งหลายเหล่านั้น ได้เห็นเขาแล้วเกิดสถาปสัทะอย่างมากท่านพระมหาเถระนี่ลืมสัญญาก็จึงได้ยกมือขึ้นนมัส ก, การแล้วบรรจงกราบด้วยเบญจางขปดิษ์พร้อมทั้งมหาชนและพระเจ้าอโศกมหารายก็ได้กระทำเช่นนั้น <c oughs> พญามารเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้รีบคลายฤทธิ์ออกเป็นพญามารตามเดิมแล้วก็ต่อว่าพระมหาเถระว่าทําไมสัญญาแล้วว่าจะไม่ยกมือไหว้ทาไมท่านจึงยกมือไหว้ พระมหาเถระก็ตินไดเกา่าอ่ะข้าพเจ้านมัส ก, การพระบรมศาสดาและพระอสีติมหาสาวกข้าพเจ้าไม่ได้ว้ท่านเมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชทรงกระทำสาการบูชาสิ้นสุดลงแล้วก็จึงได้ตรัสถามพระสงฆ์ว่าโยมนั้นได้สละทรัพย์ทำบุญในครั้งในการฉลองครั้งนี้ อีกเป็นจำนวนถึงเก้าสิบหกกคือนอกเหนือจากที่ได้สร้างพระสุทจะดีถึงแปดหมื่นสี่พันแห่งแล้วการเกษรละทรัพ์ถึงเพียงนี้นั้นได้ชื่อว่าโยมนั่นเป็นญาติในพระพุทธศาสนาแลหรื อ, อยังขโมคขลีบุตรติสเถระก็จริงในถวายพระพรว่ามหาบาพิษมหาบาพิษนั้นยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสนาหรอก แต่ได้ชื่อว่าเพียงได้ชื่อเพียงว่าเป็นผู้ถวายปัจจัยทายทายฐานเท่านั้นท่านพระเจ้าท่านแอมพระพระเจ้าโศกมหาราชนั้นก็จึงได้เรียนถามท่านว่าพระกระทาอย่างไรเล่าโยมจึงจะได้ชื่อว่าเป็นญาติต่ อ, เ, อเป็นญาติในพระพุทธศาสนาท่านพระมหาเถระก็จึงได้ถวายพระพรว่า บุคคลใดบวชบุตรและธิดาไว้ในธรรมวินัยนั่นแหละบุคคลนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นญาติในพระพุทธศาสน า, ษาแล้วก็จึงได้พลนาถึงอานิสงส์แห่งการบวชให้พระมหากไหพระราชาอาโศกมหาราชนั้นได้ฟังเป็นลำดับว่าบุคคลใดก็ตามให้ธาตุบรรพชาเป็นสมณะ ย่อมจะได้อาอาไม่ได้พระอาอาพระานิสงส์สี่กับให้ท่าของตัวเองอุปสมบทเป็นภิกษุจะได้พระาณิสงส์แปดกับให้บุตรและธิดาของตนเองบรรพชาเป็นสัมเนรหรือสัมเนรีก็จะได้พระาณิสงส์ถึงแปดกับให้บุตรและธิดาของตนเองอุปสมบทเป็นพิกษุเป็นพิกษุณีก็จะได้พระาณิสงส์ถึงสิบหกกับ ชายใดให้ภริยาของตนเองบรรพชาเป็นส well, ัมมาเนรีหรือสามีหรือพันยาใดให้สามีของตนเองบรรพชาเป็นสัมมาเนนก็จะได้พลานิสงส์ถึงสิบหกกับส่วนพรนยาใดให้สามีของตัวเองอุปสมบทเป็นพิสุหรือชายใดให้ภริยาของตนเองอุปสมบทเป็นพิสุนี ก็จะได้ภารนิสงถึงสามสิบสองกัปแต่ว่าถ้าตนเองบรรพชาเป็นสมมาเองก็จะได้ภารานิสงถึงสามสิบสองกัปแต่ถ้าแต่ถ้าบวชเป็นพิสุหรือเป็นพิสุณีแล้วก็จะได้อานิสงถึงหกสิบสี่กัปคำว่าได้อานิสงแต่และกัปละกัปนั้นหมายถึงว่าไม่ต้องไปสู่อบายภูมิถึงเท่านั้นกัป เมื่อพระเจ้าอาโศกมหาราชได้ทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงปีติโสมนั้จึงได้เรียกพระราชบุตรของพระองค์เองคือพระมหินทะกุมารกับพระราชธิดาคือพระคือพนางสังคมิตาราชกุมารีได้สอบถามว่าเธอทั้งสองนั้นยินดีที่จะบวชในพระพุทธศาสนาหรือไม่ทั้งสองพระองค์นั้นเมื่อได้ทรงฟังเช่นนั้นแล้ว ก็จึงได้กราบทูลด้วยความยินดีว่าต้องการที่จะบวชต้องการที่จะบวชไว้ในพระพุทธศาสนาพระเจ้าอาโศกมหาลาชนั้นก็จึงจัดให้พระราชบุตรและพระราชนิดาทั้งสองอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเมื่ออุปสมบทแล้วในได้เดมื่ออุปสมบทแล้ว ทั้งสองพระองค์ต่อมาได้บำเพ็ญสมณธรรมอยู่ไม่นานนะก็ได้สาเร็จเป็นพระรหัตผลสาเร็จอรหัตผลเป็นพระอเศษขบบุคคลในพระพุทธศาสนาทั้งสองพระองค์ก็ไปอันว่าจบในปริเชตที่ยี่สิบแปดอันว่าด้วยการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและฉลองพระมหาเจดีย์ของพระเจ้าอาโศกมหาราช ในปริเชตที่ยี่สิบเก้าว่าด้วยอันตรธานปริวัตรในปริเชตนี้หมายถึงตอนว่าด้วยความเสื่อมสูญหรือความอันตรธานอันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาห้าประการเดยกันประเภทแห่งอันตรธานในพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ห้าอย่างคือหนึ่งปริยติอันตรธาน ความเสืส่อมศูนย์แห่งพระประยัติสองปฏิปฏิอันตรธานความเสืส่อมศูน์แห่งการปฏิบัติสามปริอาปฏิเวทะอันตรธานความเสืส่อมศูนย์แห่งการตัดสู่มรรคผลสี่ลิงคะอันตรธานความเสืส่อมศูนย์แห่งสมณะเพศและก็ห้าทาตุอันตรธานความเสืส่อมศูนย์แห่งพระบรมสารีริกธาตุ ในบรรดาอันตรธานทั้งทั้งห้าประการนั้นปริยัติชื่อว่าเป็นและอ่าปริยัติย่อมจะอันตรธานก่อนใครในบรรดาปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งสามนั้นปริยัติเป็นล่ากแก้วอันสําคัญของพระพุทธศาสนาเพราะเมื่อว่ามีปริยัตคือการเล่าศึกษาเล่าเรียนยังดํำรงอยู่ตราบใดพระศาสนาก็ชื่อว่าดํารงอยู่ตราบนั้น เมื่อปริยัตยิคือการเรียนได้เสื่อมสูญไปในเวลาใดเวลานั้นศาสนาก็ชื่อว่าเสื่อมสูญปริยัตยินั้นว่าโดยคำพีก็ได้แก่พระไตรปิฎกสามประการคือหนึ่งพระวินัยปิฎกสองพระสุตตันตปิฎกและสามอภิธรรมปิฎกการเสื่อมสูญแห่งปริยัตยินั้นเป็นไปตามลำดับดังนี้คือพระอภิธรรมปิฎกเสื่อมสูญก่อน คือเสื่อมศูนย์ก่อนใครทั้งหมดและในพระบิธรรมปิฎกนี้มเมื่อจะเสื่อมศูนย์นั้นก็เสื่อมศูนย์คำพีสําคัญก่อนกว่าใครหมดคือคมภีร์มหาประธานเสื่อมมาโดยลําดับพระสุตันตปิฎกและพระวินัยยปิฎกนั้นเสื่อมศูนมาโดยลําดับพระสุตันตปิฎกนั้นเสื่อมศูนย์ก่อนเสื่อมศูนย์ พระสุตตันตปิฎกนี้เสื่มศูนย์ตั้งแต่อังคุตตรานิกายเป็นลําดับลงมาถอยลงมาแล้วต่อจากนั้นเมื่อพระสุตตันตปิฎกเสื่อมศูนย์แล้วพระวินัยปิฎกก็จึงได้เสื่อมศูนย์ต่อไปการเสื่มศูนย์ของพระวินัยปิฎกนี้ก็เสื่มศูนย์มาตั้งแต่คำภีบริวารนั้นก่อนถอยลงมาการเสื่มศูนย์นี้จะเสื่อมศูนย์ที่สุดได้กาหนด จนถึงที่สุดก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะทำที่จะจำพระคาถาเพียงสี่บาทได้เมื่อนั้นแหละชื่อว่าปริยัตินั้นเป็นอันเสืิอมสูงคือเรียกว่าปริยัติอันตรธานประการที่สองการปฏิบัตินะปฏิปติอันตรธานการปฏิบัตินั้นได้แก่การเจริญสมถกรรมฐานหรือรและวิปัสนากรรมฐาน และการรักษาศีลและการรักษาศีลก็จะเสื่อมซึ่งไปการเสื่อมนั้นก็เริ่มต้นโดยการจะเสื่อมสมถะวิปัสสนาก่อนและต่อมานั้นก็การรักษาศีลก็เสื่อมสูญจนถึงที่สุดกำหนดด้วยว่าแม้กระทั่งศีลนั้นภิกษกุแม้แต่รูปเดียวที่จะรักษา สิกขาบทข้อบัญญัติเพียงป ร, ราชิกสิกขาบทนั้นไว้ไม่ได้ก็เมื่อไม่มีพิสุลุมใดที่จ ะ, ะรักษาปราชิกสิกขาบทไปได้เมื่อนั้นแหละชื่อว่าปฏิปัติติอันตรฐานการปฏิบัตินั้นเสื่อมสูญปฏิเวทะการตารัดสลูมักและการตารัดสลูผลนั้นมีการกำหนดเสื่อมถึงที่สุดดังนี้คือ เมื่อใดไม่มีพระอริยะบุคคลแม้เพียงขั้นพระโสดาบันสักคนเดียวหรือสักผู้เดียวเมื่อนั้นปฏิเวทชื่อว่าเป็นอันเสนื่อมสูญปฏิเวทนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอธิคมแปลว่าการบรรลุมักบรรลุผลประการที่สี่นั้นลิงคอันตรธานคือการเสรื่อมสูญจากสมณเพศ การเสื่อมสูญจากสมณเพศนี้กำหนดการเสื่อมสูญถึงที่สุดดังนี้คือเมื่อใดไม่มีใครแม้แต่ผู้เดียวจะปฏิ ญ, ญาณตนเป็นภิกษุแล้วผูกผ้าเหลืองไว้กับข้อมือหรือคล้องไว้ที่คอเมื่อนั้นแหละสมณเพศชื่อว่าเสื่อมสูญธาตุอันตรธานการเสื่อมสูญแห่ง บรมสารีริกธาตุนิพพานนั้นมีสามประเภทคือหนึ่งกิเลสนิพาน 2, นนพานสองขันธนิพพานและสามธาตุนิพพานกิเลสนิพพานนั้นหมายถึงการดับกิเลสได้หมดสิ้นแต่ว่ายังทรงเป็นยังขันธ์อยู่ก็ได้แก่องค์พระอรหรันตสัมมาอันได้แก่องค์พระอรหรันตที่ได้บรรลุอรหัตตผล เป็นพระขีณาสพแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่เรียกว่ากิเลสนิพพานขันธนิพานนั้นได้แก่การดับแห่งขันห้าก็คือพระอาหารหันต์นั้นได้ถึงแก่ชีวิตเรียกว่าสิ้นอายุไปแล้วเรียกว่าขันธะปินิพพานดับเบญญขันไปส่วนธาตุนิพพานนั้นได้แก่ความเสื่อมสูญหรือความดับแห่งพระบรมสารีริกธาตุ พระบรมสารีริกธาตุนั้นเมื่อจะเสื่อมสูญนั้นเริ่มต้นด้วยไม่มีใครที่จะเคารพ บ, บูชากล่าวคือพระบรมสารีริกธาตุนั้นที่กระจกระจายอยู่ทั่วไปนในที่ต่างๆนั้นคือที่บุคคลนําไปบูชานั้นแต่เมื่อล่วงกาลนานๆไปแล้วไม่มีใครที่จะเคารพ บ, บูชาเมื่อไม่มีใครที่จะเคารพ บ, บูชาแล้วพระบรมสารีริกธาตุนั้นก็จะ เรียกว่าอันตรธานจากที่นั้นไปอยู่กับบุคคลที่เคารพบูชาแต่เมื่อไม่มีใครเคารพบูชาแล้วพระบรมสารีริกธาตุก็จะกลับมารวมอยู่จุดเดียวกันที่โพธิบัลลังค์ภายใต้ต้นโพธิ์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จา้าตรัสรู้แล้วก็จะแสดงอาการเป็นประดุลหนึ่งว่าเหมือนกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าประทับนั่งอยู่ ในวันตรัสลุเหมือนกับประทับนั่งอยู่ในวันตรัสรุนั่นเองแล้วก็กระทำปฏิหาริย์เปล่งพระจักพรรดรังสีสว่างสวัยไปทั่วทุกสารทิศครั้นแล้วเมื่อแสดงอนุภาเ่นนั้นแล้วก็เตโชชาติก็ได้ลุกขึ้นเผาผลาญจนธาตุนั้นได้อันตรฐานเสื่อมสูญไปนี่เรียกว่าธาตุอันตรฐาน การอันตรธานแห่งพระบรมสารีริกธาตุก็ไปอันว่าในปฐมสมโพธิกถาทั้งหมดในการรวมแล้ว29ประเจต์ก็จบโดยบริบูรณ์เพียงแค่นี้สำหรับในการศึกษาเกี่ยวกับปฐมสมโพธิกฐานนี้ก็มีอยู่ว่านักศึกษาทั้งหลายนั้น ควรที่จะกําหนดเฉพาะเนื้อความสิ่งใดที่เป็นคําโครงความแข็งก็ตัดไปเสียกาหนดเอาเฉพาะที่เป็นเนื้อความเท่านั้นและนอกจากนั้นแล้วก็กําหนดถือเอาธรรมะต่างๆที่มีอยู่ในปริเขตนั้นๆเพื่อที่จะได้ศึกษากันต่อไปซึ่งธรรมะต่างๆนั้นเช่น คำว่าเบญจกัลยาณีหรือปัญจกัลยาณีนั้นก็ได้แก่ความ ง, ง, ง, งามของหญิงห้าประการด้วยกันก็คือหนึ่งมีผมงามสองเนื้องามเนื้องามนี่ก็ได้แก่เงือกหรือริมพีปากแดงประการที่สามก็ฟันงามสี่ผิวงามและก็ห้าวัยงามเหล่านี้ที่จะต้องนำเอามาจดจำไว้ แล้วก็สองคว่าจจตุเพยทางทศัพท์จจตุเพยทางทศัพท์นี้หมายถึงว่าพระเวทสีประการหรือว่าศาสตร์สี่อย่างก็หนึ่งได้แก่ลึกเเวสสองสามาเวทสามยัชุระเวทและสี่อาถพรพเวทไตรเพศไตรเพศนั้นก็ได้แก่คาพีพระเวททั้งสาม อันเป็นละทิของศาสนาพราหมณ์ซึ่งถือว่าเป็นคำภีหรือเป็นคำสั่งสองของพราหมณ์นั่นเองก็ได้แก่ลึกขเวศซึ่งลึกเวทนี้ประมวลบทสวดสรรเสริญพระเกียรติของเทพเจ้าและก็ขอความคุ้มครองจากเทพเจ้าสองสามาเวศสามาเวทนี้ก็ได้แก่คำภีที่ประมวลบทสวดสำหรับแหกเฮกลม เทพเจ้าในเวลาทําพิธีบูชายันหรือพิธีที่มีการฆ่าสัตว์หรือโยนอาหารนมเนยเข้าไปในกองเพลิงสังเวยเทพเจ้าสามยชุระเวทประมวลบทสวดในพิธีบาเพ็ญพลีกรรมต่างๆก็ได้แก่กล่าวถึงเรื่องศาสนาพิธีสะตะมะหาสก็ได้แก่สะใหญ่เจ็ดแห่งด้วยกันก็คือหนึ่งสะอนโนดษ สองสสีหะปปปาตะสามสะระฐการสีสกันดมุนดห้าสกุณาละหกสะฉัดทันแล้วก็เจ็ดสะมันทาคิมีสัจธรรมนะได้แก่รัตนะหรือเก้วเจ็ดประการก็คือหนึ่งจักรธรระ จักรรัตนะคือจักแก้วนี้สามารถจะนำสมบัติแห่งมหาทวีปทั้งสี่และก็มีทวีปน้อยสองพันทวีปเป็นบริวารมาถวายได้ 2. หัตถิรัตนะได้แก่ช้างแก้วซึ่งช้างแก้วนี้ได้เดินเหินไปในอากาศได้สามารถที่จะเวียนแผ่นดินอันมีทะเลล้อม บ, บให้อยู่ให้อยู่โดยรอบให้อยู่โดยรอบนั้น ให้ได้ก่อนที่อาหารมื้อเช้าได้สองอสระตนะมาสามอสระรัตนะม้าแก้วซึ่งสามารถเหมือนกับช้างแก้วมีความสามารถเช่นเดียวกันสี่มณีรัตนะได้แก่แก้วมณีสามารถที่จะส่องแสงทะลุความมืดทึบไปได้กกลถึงหนึ่งโยกหอิฐิรัตนะนางแก้วผู้คอยบำเพ็นนาะไทย เป็นสตรีงามพร้อมปราศจากโทษหกประการก็คือดำเกินไปขาวเกินไปอ้วนเกินไปผอมเกินไปเตี้ยเกินไปแล้วก็สูงเกินไปในเวลาหน้าฤดูหนาวนั้นกายของพนางนี้จะเป็นกายที่อุ่นแต่ว่าในหน้าฤดู น, อน้อนนั้นกายของพนางนี้จะเย็นเพราะนั้นจึงได้ชื่อว่าอิฐีรัตนะก็หาปฏิรัตนะ ขุนขังแก้วสามารถที่จะค้นคว้าหาขุมทรัพย์อันซ่อนอยู่ในแผ่นดินได้ถึงโยศหนึ่งเจ็ดปรินายกระรัตนะขุนพลแก้วได้แก่มกุฏราชกุมารรัชทายาิองค์ใหญ่ซึ่งสามารถจะปกครองราชสมบัติได้ทั้งจกักรวรรดลมลคลินทราชหมายถึงพยานเนื้อ ได้แก่ราชสีสีเหล่าคือหนึ่งตินาสีหะราชสีที่กินหญ้าเป็นอาหารมีสีกายสีหมอกและสีหมดสองปันดุสุระมิคินทะหรือปันดุสีหะราชสีประเภทนี้กินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารสามกาลสีหะ ราชาสีประเภทนี้กินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารแต่มีร่างกายสีดำสีไกลสอนสีหะหรือไกลสอนราชาสีตัวขาวเท้าและปากสีแดงมีสีแดงผ่านตั้งแต่จมูกตลอดกลางหลังถึงปลายหางที่อกก็มีขนขึ้นเวียนเป็นทักินาวัตร ใต้คอนั้นก็มีสร้อยคอสีแดงกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารอีกนายะหนึ่งสีหะนั้นก็มีหรือว่าราชาสีนั้นก็มีอยู่สี่เหล่าด้วยกันคือหนึ่งตินสีหะสองปันดุสีหะสามกาลสีหะและก็สี่ไก่สอนสีหะที่ว่ามีเท้าแดงเท้าหน้าเท้าหลังแดงทธพิ ท, ท, าาทราชธรรมสิประการ คือทำรรของพระราชาสิปการนั้นก็ได้แก่หนึ่งทานังได้แก่ทรงพระราชทานทรัพย์แก่บุคคลผู้ทาความดีตักดินสองสีลังรักษามัญญาตกายวาจาให้เรียบร้อยสามบริจาคังทรงบริจาค ร, ร, ราชทรัพย์เป็นสาธารณประโยชน์สี่อาจฉวังมีพระอัจยอาศาัยซื่อตรง ห้ามัทวังมีอากัศปริยาล ะ, ละมุนละไมหกตะปังทรงกำจัดความชั่วเสียได้เจ็ดอโกทังไม่ทรงกเกลี้ยกธ่อมแปดอวิหิงสาไม่ทรงเวดเบียนผู้ไร้ความผิดเก้าขันติอดทนสมเป็นชาติเชื้อกริยัและสิทธาวิโรธนังไม่ทรงยินดียินร้ายในโลกธรรมวันธามิเจติยังสัพพังสัพพฐานเนสุ ป, ปฏิทิตัง สาลีลิกขาตุมหาโพธิ์พุทธรูปังสกังสถาข้าขอนอมไหว้พระเจดีในทั่วทุกสถานทั้งพระประมาธาตุพระทรงยานซึ่งประดิษฐานโอราณรูจีไหว้พระมหาโพธิ์วยพุ่งลุงโลดร่วมรื่นดื้นดีเป็นไม้พระตรัสจำรัดลัศมีของพระชินสีสาสดาจารย์ ไหว้พระปฏิมารูปพระตถาคตะทรงยักเจ้าทรงยานทั้งน้อยทั้งใหญ่เก่าใหม่สุขสถานข้าขอนมสการเป็นนิลันดอนขอเสร็จอภิเศกส้อยสัพพันยูเหยพระปัญญาที่กะบรนแบบไว้ขอทรงปิดกทันทุกชาติหนึ่งนึกสิ่งใดได้เสร็จสิ้นดังประสงค์ข้าเทิน ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร